เรื่องเล่าผีหลอนตอนผีในเงามืดเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ32ปีก่อนโดยผู้เล่าได้เล่าว่าข้าพเจ้าจำได้ว่าตอนนั้นอายุได้ประมาณ15อย่างเขา16ปีทุกๆตอนเย็นข้าพเจ้า ชอบไปเล่นน้ําคลองกับเพื่อนมีอยู่วันหนึ่งก็เล่นน้าคลองตามปกติวันนั้นโชคดีจริงๆมีก๋วยเตี๋ยวเรือพายผ่านมาพอดีครับทุกคนในกลุ่มก็ต่างตะโกนไปพร้อมกันโดยมีได้นัดหมายลุงๆจอดเทียบเลยครับลุงชิดขอบเลยครับกินประจำอยู่แล้วครับก๋วยเตี๋ยวเรือของลุง แต่คุณลุงจะพายผ่านแถวที่ข้าวเจ้าเล่นน้ำคลองกันทุกๆสามวันวันนี้ก็กินไปตามปกติกับเพื่อนอีกเจ็ดชีวิตอ๋อลืมบอกไปครับราคาก้อยเตี๋ยวเรือชามละห้าสิสตางค์เท่านั้นอร่อยมากๆนั่งกินไปแบบท่าสบายๆของตามแต่ละบุคคลบางเอิญ ข้าพเจ้าเลือบมองไปเห็นสุนักเน่าลอยมากำลังพองได้ที่แบบว่าใกล้จะระเบิดแล้วก็ไม่ปานนึกยังไงไม่รู้ข้าพเจ้าอุตริเอาก้อนหินไปปาใส่เสียงดังปุปุมแมลงวันกระจายและมาพร้อมกลิ่นอันสุดจะทนสุดท้ายวงแตกตามมาด้วยเสียงดา่า ไอเวนไอบ้าเอ้ยไอชิบหายเหลือแต่ลุงขายก๋วยเตี๋ยวกับข้าพเจ้าสองคนที่อยู่กับสุนัขเน่าตัวนั้นแต่เรื่องกลิ่นข้าพเจ้าทนได้แต่ทนไม่ได้เรื่องหิวเนี่ยสิครับข้าพเจ้าก็นั่งทานก๋วยเตี๋ยวต่อไปแบบยิ้มยิ้มเล็กน้อยคืนนี้นัดรวมตัวเป็นพิเศษเพราะเป็นวันเกิดของเพื่อนข้าพเจ้า เรานัดกันตอนสามทุ่มเจอกันที่เรือขนทรายลำใหญ่ถึงเวลาทุกคนก็มากันอย่างพร้อมเพรียงอาหารขนมน้ำหวานหลากหลายสีพวกเราไม่ได้กินเหล้ากันนะครับกินกันไปสักพักข้าพเจ้าก็นึกอุตริขึ้นมาอีกแล้วหลอกผีชาวบ้านที่พายเรือผ่านไปมาดีกว่าเสียงตอบรับดีมาก เออเอาสิเออได้เลยบ้านเพื่อนอีกคนติดริมคลองเดินไปนิดเดียวเพื่อเอาอุปกรณ์ในการหลอกผีสิ่งที่เอามาก็มีมุ้งขาวๆหลังใหญ่มากมีแป้งขาวแป้งแดงแล้วก็ไฟฉายเมื่ออุปกรณ์พร้อมคนพร้อมได้เวลาสี่ทุ่มก็นับวันดึกพอประมาณแล้ว จึงได้แต่งหน้าคล้ายผีต่อตัวกันสามคนขี่คอกันแบบคณะสิงโตเอามุง้งคลุมตั้งแต่ศีรษะลงไปชายมุ้งก็ปล่อยให้ปลิวไปปลิวมาปากแดงแดงเหมือนกินเลือดมาก็ว่าได้ข้าพเจ้าอยู่บนสุดเพราะตัวเล็กสุดเฮ้ยเฮยมีเรือมาแล้วหนึ่งลำเตรียมพร้อมนะพวกเราคุยกันแบบเสียงกระซิบ พอเรือผ่านมาได้ที่ตรงจังหวะไฟฉายก็ส่องใส่หน้าตัวเองส่องจากใต้คางขึ้นไปบนหน้าข้าพเจ้าทำเสียงแบบเย็นยเยือกไปไหนมาข้าอยากกินเลือดมึงตายกรรมจริงๆครับผมเป็นคนหลอกเองแต่ดันกลัวสงันพอสิ้นเสียงโหยหวน สิ่งที่ตามมาก็คือคนพายเรือมองมาทางข้าพเจ้าที่ปลอมเป็นผีมองอย่างตั้งใจมากมองได้ประมาณส0วินาทีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนพายเรือพายอย่างไม่คิดชีวิตจำารวด จ, จำพรวดเสียงตะโกนฟังเลยชัดผีหลอกโว้ยปากก็ตะโกนไป มือก็จำพรวดไปด้วยความเร็วสุดยอดจุดที่ข้าพเจ้าหลอกนั้นคนมาจมน้ําตายที่นี่ก็มีครับศพลอยมาติดก็มีเป็นที่ลือกันว่าเฮี้ยนมากแต่พวกเราก็หัวเราะ ก, กันตัวขดตัวงอหัวเราะแบบไม่ออกเสียงมันทรมานจริงๆเหนื่อยมากๆเวลาก็ล่วงเลยมาจะถึงเที่ยงคืนพวกเรา ต่างคนต่างแยกย้ายกันทุกคนกลับหมดเหลือเพียงข้าพเจ้ากับเพื่อนที่อยู่ริมน้ำก็แวะเข้าบ้านเพื่อนก่อนเดินไปคุยกันไปยังขำไม่เลิกเรื่องหลอกผีคนพายเรือนั่นแหละรครับพอไปนั่งคุยที่บ้านเพื่อนริมน้ำก็เริ่มดึกมากแล้วบวกกับเริ่มง่วงจึงบอกเพื่อนเฮ้ยกูกลับบ้านก่อนนะ เพื่อนก็บอกว่ากูเดินไปส่งเอาไหมข้าพเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นไรกูเดินไปได้กูไม่กลัวกูไปเลยพอเดินมาสักพักหนึ่งก็เป็นทางเปลี่ยวที่มันมืดมากๆแต่พอมองเห็นนิดๆจุดนี้คนโดนผีหลอกกันบ่อยมากทางเดินตรงนี้จะเป็นทางแคบๆ แค่คนเดินสวนกันได้แต่ต้องเอียงตัวเวลาเดินสวนกันครับมีต้นไทรใหญ่มากข้างสะพานไม้แคบๆที่ข้าพเจ้าเดินลางไม่ดีละข้าพเจ้านึกในใจเริ่มเดินเร็วขึ้นตอนนี้ความรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามมาข้าพเจ้าเดินหนึ่งเก้าเสียงที่ได้ยินตามมาก็ $19 ก้าใจไม่ดีละ เสียงเหมือนคนเดินซ้อนกันข้าพเจ้าก็ตัดสินใจกลั้นใจเลยก็ว่าได้หันหลังกลับไปดูแต่ก็ไม่พบอะไรเสียงฝีเท้าที่เดินเข้ามาเริ่มหายไปพอใกล้จะผ่านต้นไทรลมก็ไม่ได้พัดอะไรแต่ต้นไทรสั่นอย่างแรงใบไม้ร่วงตกลงมาพอประมาณอะไรของมันวะ ขำวพเจ้านึกในใจตอนที่กำลังนึกอยู่นั้นก็ปรากฏว่าเหมือนมีอะไรสักอย่างพุ่งทะยานมาด้วยความเร็วเป็นความรู้สึกเองนะครับผมจึงตัดสินใจหันกลับไปดูอีกก็ไม่เจออะไรอีกเช่นเคยแต่ต้นไทรก็ยังไหวสันอยู่ลมก็ไม่มีขบวพเจ้าไม่รู้สึกว่าลมพัดเลยทุกอย่างเงียบสนิท วังเวงมากๆข้าพเจ้าคิดได้ว่ามีผู้ใหญ่บอกว่าถ้าอยากเห็นผีก็ให้ก้มลงมองลอดใต้วางขาแล้วก็จะเห็นพอเลยต้นใทมานิดหน่อยข้าพเจ้าก็คิดว่าเอาวะลองดูสิเป็นไงเป็นกันจึงตัดสินใจก้มลงไปมองลอดใต้วางขาเวรกรรมสิ่งที่เห็น มันเป็นเงาดำๆสูงใหญ่มากเหมือนมองมาทางข้าพเจ้าความคิดยังไม่ทันสั่งการข้าพเจ้าวิ่งทะยานไปด้วยความเร็วสูงแต่ก็ยังพอมีสติอยู่บ้างยังอุทานนึกถึงเรื่องที่ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่า้าไม่อยากให้ผีตามมาให้กระโดดแบบสลับซ้ายไปขวาขวาไปซ้าย1 1บก้าวข้าพเจ้าก็วิ่งตามนั้น แต่ว่าแต่ละก้าวกระโดดนั้นไกลจริงๆเหมือนตัวล อ, อยได้สงสัยจะตกใจมากๆจึงกระโดดได้เช่นนี้พอผ่าน11 9ก้าวกระโดดแล้วทีนี้ละครับเป็นทางตรงผมก็วิ่งไปเร็วมากๆสายลมประทะหน้าพอมาถึงตรงที่มีแสงไฟบวกกับเริ่มมีผู้คนความเร็วในการวิ่งก็ลดลงตามลำดับ ข้าพเจ้าเหนื่อยมากๆพักหายใจก่อนพอถึงบ้านไม่ต้องอาบน้ำกนละคืนนี้เข้าไปนอนซุกตัวใกล้กับคุณยายคุณยายจึงตื่นมาถามเจ้าเป็นอะไรปรกติไม่เคยนอนกับคุณยายได้ใกล้ชิดแบบนี้ข้าพเจ้าก็เล่าให้คุณยายฟังกับสิ่งที่เพิ่งพบเจอมาคุณยายก็หัวเราะเจ้านี่มันน่านักเล่นอะไรไม่เล่น แล้วก็หัวเราะ อ, อีกเดี๋ยวตื่นเช้าเจ้าไปกับยายนะพ่อตื่นเช้ามาผมเริ่มหายกลัวเลยเดินไปหาคุณยายคุณยายจะพาผมไปไหนหรือครับจะพาเจ้าไปทำบุญถาวายสังฆทานและกรวดน้ำให้กับสิ่งที่ได้พบเห็นกับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ขออโหสิกรรมต่างๆที่ข้าพเจ้าได้กระทธาลงไป ขอบคุณคุณยายที่แสนใจดีของข้าพเจ้าปัจจุบันคุณยายของผมท่านก็เสียไปแล้วด้วยว้ยแปสปีถึงวันนี้ข้าพเจ้าก็ยังคงคิดถึงคุณยายอยู่ตลอดครับเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องผีเรื่องลี้ลับต่างๆ